1. การให้ 2. การตั้งสังวรรักษากายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ 3. การบริจาคสละ 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. การกำจัดความเกียดคร้านและความชั่ว 7. การไม่โกรธ 8. การไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกยาก 9. ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้าและ10การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการที่ถูกที่ตรงทศพิตรราชธรรม การเจริญสติเราต้องทำอยู่เสมอๆทำอยู่เนืองๆทำให้มากทำบ่อยๆทำเป็นอาชีพไปเลยเราต้องมีอาชีพอาชีพการทรมาหากินอาชีพการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอาชีพการเจริญสติอันนี้เป็นเหตุเป็นการสร้างเหตุผลของอาชีพที่เราทำนั้นก็คือ ความพ้นทุกข์การทำอาหากินก็เพื่อการพ้นทุกข์เราทําหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อการพ้นทุกข์ตรงนั้นแหละโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมการเจริญสตินี่แหละจุดหมายปลายทางคือทำให้เราพ้นทุกข์ได้แต่เราต้องสร้างเหตุบ่อยๆให้มากๆผลที่เกิดขึ้นนั้นจะสมควรกับเหตุคือดับทุกข์ได้ค่อยๆเก็บสะสมสติเรื่อยๆเหนื่ง เวลาเล็กลน้อยถ้่าที่เราจะทำได้หนึ่งวันสองวันสามวันนานไปหลายหลายวันเข้าดวสติก็เต็มเต็มรอบทำให้ปัญญาเกิดแล้วก็ดับทุกได้ใช้ประโยชน์ได้คล้ายกับว่าเราบ่มผลไม้อะอย่างเช่นบ่มกล้วยกล้วยนีย่เวลาเราตัดจากต้นมาใหม่ๆมันก็ยังเขียวอยู่ ยังทานไม่ได้จะมีรสฝาดแต่พอเราเอามาใส่องค์บว ม, มาไว้หนึ่งวันสองวันสองคืนสามคืนนี่ก็กล้วยก็จะเหลืองได้ที่เราก็จะได้รับประทานกล้วยที่หวานการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสตินี่ก็เช่นเดียวกันเขาก็ะสะสมสติไปเรื่อยๆสร้างตัวรู้เพื่อป้องกันตัวหลง ปกเที่ยสร้างความสุขตัวป้องกันตัวหลงลืมความรู้ตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำลายความลืมตัวเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ถูกกันมีสว่างมามืดเข้าไปการที่เรามีสติอยู่เสมอเสมอนึ่งเนืองจะทำให้ตัดกำลังกิเลสได้เพราะกิเลสเนี่ตัะว่าไปแล้วเขาก็ มักจะเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจเราบ่อยๆเนืองๆเหมือนกันกิเลสแสดงตัวบ่อยๆห ล, ลายคลั่งหลายหนเราก็จะสังเกตได้บางทีมันก็เกิดความโลภ บ, บางทีก็เกิดความหลงบางทีก็เกิดความโกรธโดยที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเขาแสดงตัวบ่อยๆในจิตใจของเรายันใบที่ใจเรามีความทุกข์นั่นแ่ละแสดงว่ากิเลสเขาแสดงตัวแล้วแล้วสติไม่เกิด แต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอเมื่อมีสติกิเลส ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นเท่ากับว่าเป็นการตัดกําลังกิเลสไปในตัวทุกครั้งที่เรามีสติเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าให้สติเนี่ยมีพลังและกิเลส ก, ก็จะอ่อนกําลังลงหนึ่งวันสองวันสมวันถ้าเราทําอยู่เส ม, ๆเมอๆคิดดูเถอะจนกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้กิเลสจะถูกตัดกําลัง มากน้อยแค่ไหนบางทีไม่ถูกตกระนำอย่างเดียวนะเท่ากับเป็นการขจัดเขาหมดไปจากจิตใจเราเลยก็ได้ว่าเละเล็นก น, น้อยดีกว่าที่เราไม่ได้ทําเลยผู้ปฏิบัติแต่ผู้ที่เจริญสติอยู่เ น, นื่งเนืองเนี่ยบางครั้งจะสังเกตดูใ จ, จเราจะว่างๆเฉยๆนิ่งๆมีนะอาจจะมีขึ้นในบางครั้งในบางเวลาคิดว่างๆไม่ได้คิดอะไร ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเราก็ลองมีสติดูสักหน่อยจะปล่อยให้ความว่างมันเกิดความว่างเปล่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในความว่างเนี่ยสังเกต ด, ดูเถอะมันจะต้องมีผู้รู้อยู่ด้วยต้องมีรู้อยู่ในความว่างอันนี้ถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมนะถ้าว่างแบบไม่รู้และรู้ตัวเนี่ยอันนี้ยังไม่ถูกต้อง มันต้องมีผู้รู้อยู่ด้วยอยู่ในความว่างคือผู้รู้ที่ว่างรู้ว่างในความว่างของจิตใจจะต้องเต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในความว่างจิตเราก็จะเบาสบายทุกข์ไม่เกิดสะสมอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยมีเหตุการณ์หลายอย่าง ที่เราสามารถที่จะนำออกมาจเจริญสติได้ตแต่ลืมตาตื่นนอนตอนเช้าจนตั้งหลับตาไปในตอนคำ่ำทั้งวันเราสามารถจเจริญสติได้ในเอเรียบท่างๆเมื่อกายเคลื่อนไหวเราก็มีสติรู้ตัวเมื่อใจมันคิดมันนึกเราก็รู้ว่ามันคิดยิ่งรู้ขณะที่จิตกาลังคิดแล้วก็ยิ่งดีเลยได้ต้นตอของการดับทุกข์ลว เมื่อมาไม่คิดก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้ตัวที่การเคลื่อนไหวของกายในเยียยาบทย่อยการทำหน้าที่ของเราแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเวลาไหนก็ได้ที่เราสามารถเตยอแตติลงไปได้ขอรู้สักหน่อยทานข้าวแต่ละคำเนี่ยทานไปสิบคำ ร, รู้สักสองคำก็อย่างดีนะมันคิดแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะคิดไปยาวนานปรุงแต่งไปนาน ก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ได้ตอนไหนแล้วก็รู้ได้เลยอาจจะรู้ขนาดที่กำลังคิดเริ่มต้นคิดเรารู้ตัวก็ใช้ได้หรือคิดไปนานแล้วจนจะจบเรื่องแล้วค่อยรู้ตัวก็ยังได้ค่อยค่อฝึกไม่ไมอาจจะปรุงแต่งปุ้งไปนานอะเราตยอมเขาพวกกิเลสมีกําลังแต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยเขาจะปรุงไม่นานพอเริ่มต้นปรุงสักหน่อยเราก็รู้ตัวแล้ว แล้วความคิดก็จะดับไปอันนี้ในตอนกลางวันเราคิดเรื่องอะไรก็ตามหรือยวก็คือเราก็เก็บไปฝันกลางคื น, นว่าฝันกลางวันว่าคิดก็ไม่เป็นไรก็ฝันก็ปล่อยให้ฝันไปก็อย่าไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อความฝันความฝันคือความคิดในตามที่เราหลับเท่านั้นเองคิดแบบไม่ตั้งใจด้วยถ้าคนที่เจริญสติบ่อยๆเนี่ยความฝันจะไม่ยาวนานบางทีไม่จบเรื่อง แตเริ่มต้นฝันได้สักครึ่งเรื่องแล้วมันก็หายไปเขาเรียกอะไรหนังขาดไม่จบเรื่องหรือบางทีจะเริ่มต้นฝันตอนนั้นสติมันเกิดในขณะที่เราหลับก็ได้เขาทำหน้าที่กันเองจิตที่มันคิดมันนึกโดยไม่ได้ตั้งใจกับสติที่เราสร้างเข้าไว้เขาทําหน้าที่จัดการกันเองเหมือนแมวที่คอยจับหนูไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเราทําหน้าที่เลี้ยงแมวให้โตไว้ เดี๋ยวแม่ก็ทํานาทีจับหนูไปเองเพระเาะนั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะตึกจริตสติได้เสมอเสมอทำบ่อยๆทำเ น, นืองๆเดี๋ยวสติมันก็จะเต็มไปเองอย่าไปคิดว่าต้องรอเวลานู้นเวลานี้เนี่ยมันจะเสียเวลาจะเสียโอกาสไปทำได้เสมอเสมอบ่อยๆเวลาหลับแล้วก็แล้วไปเวลาไม่หลับเราก็ต้องมีสติแต่สิ่งที่ทำยากที่สุดก็คือ ตอนที่เรากำลังคิดขณะที่เรากำลังคิดเนี่ยสติมันเกิดได้ยากมากเรามักจะเผลอ ER, ตอนที่เราคิดเรื่องราวต่างต่างตอนนี้จิตสติได้ยากมากแต่ไม่เป็นไรถ้าเราจะคิดขอให้ตั้งใจคิดคิดด้วยสติบางคนสงสยัยว่าการปฏิบัติการจริตสติเนี่ยมันต้องห้ามความคิดเลยแลวเราไม่ต้องใช้ความคิดเลยเราไม่จำเป็นต้องห้ามความคิดการปฏิบัติธรรมไม่มีการห้ามอะไร พอมันคิดเราก็รู้ตามในณะที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราต้องตั้งใจที่จะไม่คิดก่อนเจตนาที่จะไม่คิดแต่เจตนาจะรู้สึกตัวเวลาที่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือวา่าเราต้องใช้ความคิดเราก็ใช้ได้ไม่ต้องห้ามใช้ด้วยสติตั้งใจคิดเจตนาคิดคิดแก้ปัญหาคิดวางแผนต่างๆเราก็คิดได้ ให้ตั้งใจคิดคิดด้วยสติสักหน่อยเราจะได้แบ่งแยกว่าความคิดแบบไหนที่เราต้องการคิดแบบไหนที่เราไม่ต้องการไม่ต้องใช้หลวงพ่อคำเขียนมักจะพูดบ่อยๆว่าไอ้ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยที่มันแอบปรุงแต่งอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยถ้าเรียกว่าการลักคิดไอ้ตัีคือตัวสังขารเราไม่อยากคิดมันก็คิดทำให้จิตใจต้องเป็นทุกข์ ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นความรักคิดเราก็เป็นทุกข์แต่มีความคิดอีชนิดหนึ่งก็คือตั้งใจคิดคิดด้วยสติปัญญาสองอย่างนี้ต่างกันเลยการรักคิดเนี่ยมันปรุงแต่งไม่เลิกมันขยันคิดคิดจนนอนไม่หลับเป็นทุกข์แต่การตั้งใจคิดเนี่ยมันจะคิดไม่ยาวนะคิดเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วก็จบได้ในตัวไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะความคิดชนิดนี้ ถ้าเราฝึกเจอสติบ่อยๆดูกายดูจิตดูความคิดบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจความคิดสองประเภทนี้เราจะรู้เลย ว, ว่าความคิดแบบไหนเด็ยมีประโยชน์กับเราความคิดแบบไหนที่ไม่มีประโยชน์กับเราและผลก็คือเราจะง่ายที่จะไม่คิดแล้วก็ยากที่จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งนี่ยากมากแต่การไม่คิดปรุงแต่งนีง่ายมากผู้ฝึกสติจะเกิดอย่างนี้บ่อย นาหเข้ากลายเป็นคนขี้เกียจคิดแล้วนะไอ้เรื่องไร้สาระนี่ไม่ค่อยอยากคิดขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจอรู้สึกตัวอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญนะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมีคําที่ในหลวงได้ถือปฏิบัติคือทศพิธราชธรรมสิบประการมีข้อข้อหนึ่งคือข้อที่สิบเป็นธรรมที่น่าสนใจมากที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่า อวิโรธนังอวิโรธนังนี่หมายถึงการปฏิบัติที่มีคลาดเคลื่อนจากธรรมะเพราะนักปฏิบัติเนี่ยสามารถเอาข้อนี้มาปฏิบัติได้เลยคือปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมะไม่ต้อเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็ได้ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงทํำยังไงที่จะปฏิบัติธรรมไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมะโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ย การ ล, ลึกรู้ลงไปที่รูปที่นามรู้ที่ไหนรู้ที่รูปที่นามรู้เมื่ อ, อไหร่รู้เมื่อเกิดขึ้นขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าใครเป็นผู้รู้สติสัมปชัญญะคือผู้รู้และรู้อย่างไรคือรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยวางอันนี้ลหละคือการปฏิบัติที่ไม่ข้าเคลื่อนจากธรรมะ ที่เรียกว่าอวิโรธนัง